ใครๆก็อยากได้มงคลนะมันมีคำว่าสริดมงคลนะเวลาไปวัดก็อยากจะให้หลวงพ่อท่านพรมน้ามนต์ใหนะ้จะได้เป็นสลิดมงคลหรือว่าให้วัตถุมงคลนะหรือเครื่องรางของขลังเพื่อเชื่อว่าจะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิต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 แม้ผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นภารีย์เจ้านะมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับความดีที่เราทำด้วยตัวเองนคนไทยทุกวันนี้เนี่ยไปรอสิริมงคลจากผู้อื่นจากครูบาอาจารย์จากภารีย์เจ้าก็มียิ่งถ้าได้อะไรที่มันเป็นปรูปธรรมเช่นวัตถุมงคล พักเครื่องหรือว่าสายศิล น, น้ำมนก็ยังดีนะก็ถือว่ า, อาพอใจแต่ว่าสราชาพูดแล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ประเสริฐเท่ากับมงคลอันสูงสุดที่เกิดจากการทำความดีด้วยตัวเองนะต้องแยกให้ถูกนะน้ำมน์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 อเรื่องเด้นคํานะเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ชี้เห็นว่านะคนที่เราหลงเชื่อว่าเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอาหารหันต์นะแล้วก็คิดว่าถ้าท่านได้มาเหยียบบ้านจะเป็นสลิปมงคลนะปรากฏว่ามันไม่ใช่สลิปมงคลเลยนะมันกลับกลายเป็นว่าถูกหลอกลวง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 มีการปล่อยข่าวลือสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อปั่นภาพลักษณ์ของตัวให้กลายเป็นผู้พิเศษหรือว่าเป็นหนึ่งพระริยเจ้าแล้วคนก็หลงเชื่อกันนะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหยือ่อนะไม่ได้สริบมงคลเลยนะได้แต่กลายเป็นว่าเจอความสวยเข้าไปไม่ได้โชคนะแต่ว่าสวยอันนี้เพราะว่าไป ไปรอหวังพึ่งสริดมงคลแบบนี้นะซึ่งเ่ิงนิ้มก็โยงไปถึงข้ออีกข้อหนึ่งนะก็คือข้อที่ควรละเว้นนะเมื่อกี้พูดเรื่องข้อที่ควรปฏิบัติได้แก่มงคลสาสิบแปดซึ่งเลิศ ก, กว่าสลิดมงคลนะที่เราเชื่อกันข้อที่ควรละเว้นก็คือว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายอกคาลามาสูตรนะสิบประการเนี่ย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 เพราะว่าครูของเราถึงแม้เก่งแค่ไหนก็พลาดได้สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังจะเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราเนี่เรื่องก็ยกเรื่องเน้นคำเหมือนกันเพราะว่าการที่หลายคนนี่เชื่อเน้นคำเป็นพระรหันเนี่ในส่ว น, นก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านรับรองนะครูบาอาจารย์ บางท่านนะก็อาจาจะมีความรู้นะแล้วก็อาจาจะเชื่อว่ามีมียานนะพอครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่นนี้บอกว่าเน่งคาเป็นผ้ารหัเอาก็เชื่อแล้วเสี็แล้วเป็นไงนะก็เสียพูดเสียคนกันเป็นแถบเป็นแถวเนะสียตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไปถึงลูกศิษย์เลยนะที่ไปรับรองเน่งคำนะ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 มันผิดอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดมากจนกระทั่งมีบางท่านเชื่อว่าสิกขาบทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเพียงแค่ร้อยหสิสิกขาบทนะเราเคยได้ยินมาว่าวินัยของพระมีสองี่สิใช่ไหมเดีย๋ยวนี้มีจํานวนไม่น้อยนะทั้งพระทั้งโยมเชื่อว่าไม่ถูกที่จริงมีแค่ร้อยห้าสิบถามบรรลมาอย่างไงอ้างจากไหนก็อ้างจากพระเตยบิดก ฉบับสยามรัฐนะก็บอกว่ามีมีพระสูตรตอนหนึ่งก็เรื่องของภาพรูปหนึ่งบอกว่าจะทูลลาศิกขาแล้วเพราะว่าไม่ไหวเนื่องจากมีศิขาบทเยอะเหลือเกินคือ150ข้อในพระไตรปิฎกตอนนั้นแปลว่าร5 0ย้ทวน150ย้ทวนไอ้คำว่าท่วนเนี่ยคือปัญหา เพราะจริงๆเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีซึ่งผู้รู้ก็แปลว่ากว่าไม่ใช่ท่วนท่วนคือ only นะกว่าแปลว่าโมอันนี้พอพอไปเชื่อพระไตรปิฎกซึ่งแปลผิดเนี่ยก็เลยเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยเวลาสวดปฏิโมกก็เลยสวดแค่1 5อยหกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยเพราะว่าทางฝ่ายเทรวาสเรานี่ถ้าจะสวดก็ต้องสวด227่ข้อ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 อย่าเพิ่งเชื่อแม้ว่ามันจะเป็นลายลักษ์อักษรนะบางทีบางคนไปดูแค่หัวข่าวพาดหัวข่าว พ, พอไปดูพาดหัวข่าวก็เชื่อเลยพอไปอ่านเนื้อความในข่าวโอ้เป็นคนละเรื่องเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้ก็สอดรับกับที่พระเจ้าได้เตือนมาสอง0มรอปีแล้วนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างจากตำราหรือคำภีนะ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 มันก็ทานกันได้ใ้ทางฝ่ายพระเราเนี่ยเทระว่าเราเราค่อนข้างจะเข้มงวดมากเรื่องนี้นะแม้กระทั้งก็ยังผิดอีกนะมันก็ยังมีผิดตกตกหล่นๆนก็ต้องแก้กันถึงมีสังขยาเนี่ยว่าไตไปตกเจ็ดแปดครั้งแล้วนะอันนี้มันแสดงเห็นว่ามันตำราเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้ทีเดียวเพราะมีความผิดพลาดอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์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 มามาขอเงินโยมจะไปสร้างวัดอะไรเนี่ยโยมเห็นเออเห็นห่มจีวรก็เชื่อแล้วนี่ไม่ได้ต้องต้องดูมากกว่า น, นั้นคำว่ารูปลักษณะน่าเชื่อถือยังมีความหมายอีกแง่นหนึ่งนะเช่น ว, ว่าคนบางคนอาจจ ะ, ะมีกิตติศัพท์มีความประพฤติ ท, ที่ไม่ดีนะ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 อย่าเชื่อด้วยการอนุมาณอย่าเชื่อเพียงเพราะอนุมาณอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับความเห็นของตัวนะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตึกตองตามอาการตามเหตุตามผลนะอันนี้พูดให้ง่ายๆนะที่เราสวดมาเมื่อสักครู่เนี่ยฟังยากนะ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 บางทีหนูว่าไปก็มีนะอาตมาเคยนะเนี่ยอยู่ที่สาราน้ำเนี่ยนะก็เปิดประตูโล่งไม่มีไม่มีการล็อกไม่มีการปิดทั้งสิ้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นม า, าไม่ใช่ชาส า, สายสายบอกว่าไอ้เครื่องคอมพวไอ้แฟลชไดรฟ์หรือว่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลนะเาเรียกแฟลชไดรฟ์ Flash มันหายก็เริ่มคิดแล้วไอ้แคลไปนะ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 เราก็จะเริ่มมองแล้วคนนี้ออกไปมไหมคนนี้ดูท่าทางนี่มีพิรุษนะปกติเขาก็ไม่มีพิรุษอะไรนะพอเราสู้ว่ามีขโมยนี่ <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นความพิรุษของเขานะแล้วเราก็จะเริ่มมองเขาในแง่ล้ายฉะนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่นี่เราลงเชื่อความคิดของเราซึ่งเกิดจากการพิจารณาตึกตรองตามอาการตามหลักเหตุผล ไม่ใช่เหตุผลทางปรัชญานะอย่างที่สวดเมื่อกี้นี้ไม่เป็นต้องเป็นเหตุผลทางปรัชญาหรอกเป็นเหตุผลในหัวของเรานี่แหละว่ามันมีคนเข้ามาในกุฏิเข้ามาในสาลาน้ำแล้วหลังจากนั้นของก็หายไปนะตักกะแบบนี้ก็สุดว่าคนนั้นต้องออกไปซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่นะและในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จริงเป็นหนไปใครจะคิดน ะ, นะว่าเป็นหนใช่ไแต่มันเป็นไปได้ นะนั่นอย่าไปอยาไปสรุปตามอาการอย่างเดียวมีคนดนึงถูกปล่อยจากคุกนะเนื่องจากค้ายาหรือติดยาหลังจากนั้นก็ไม่นานโทรศัพท์ก็หายในบ้านเราแวกเดียวกันเงินก็หายเช้าคนที่ไม่ใช่หลักกามรสนะ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 ถูกปล่อยจากคุกมาเขาก็เปิดพึ่งกลับตัวกลับใจเ็เป็นคนดีแล้วแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาซวยเลยนะเขาซวยทุกทีเลยหลายคนที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยต้องกลับเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ไว้ใจมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอะอะว่าเขาทาเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันนี่ทำดีไม่ได้ทำดีไม่ขึ้นออกจากคุกมาตั้งใจจะเป็นคนดีแต่ปรากฏว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมา ทุกคนก็ชี้หน้ามาที่กูหมดเน้นยา ก, กันนั้นเลยเป็นคนเดียวไม่ได้ก็เป็นคนชั่วเสียเลยก็เลยกลับเป็นคนชั่วใหม่ปล้นเอเมปล้นขโมยขายยาเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปติดคุกหลายคนที่ออกจากคุกมาแล้วต้องเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ให้โอกาสสังคมไม่ให้โอกาสเพราะว่าตราหน้าว่าไอ้นี่เป็นคนชั่วเวลามีเรื่อง ผิดปกติเกิดขึ้นก็จะโทษเขาอันนี้เพราะผู้คนไม่ใช้หลักการลัมาสูร์ผู้จ้าเตือนไว้ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานหรือเพราะการคำนึงคำนวณตามหลักเหตุผลหรือหลักหรือตรักกะบางทีคนที่ทาที่ดูรูปที่ดูน่าเชื่อถือ สูภาพเรียบร้อยอาจจะขโมยก็ได้นะไอคนที่เป็นคนที่เคยติดคุกมาหน้าตาโสมผมผมเผปายาวอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะงั้นอย่าดูที่ลักษณะอาการหรือว่าการสรุปของเราความคิดของเราเหตุผลของเราบางทีมันก็ผิดนะแต่มันหลอกเราได้นะอย่าเชื่อความคิดของเรา แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราคิดตามเหตุผลมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะแกชื่ออ้วนแกก็เล่าว่าวันหนึง่งอ้วนกับเพื่อนก็เดินอยู่บนสะพานข้ามถนนสะพานคนเดินข้ามนะตรงวงเวียนใหญ่ก็เป็นช่วงเวลาเช้าก็ไม่เช้ามาก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 นะแต่เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเขาใช้หลักการมาสู่หรือเปล่านะเขาเดินเข้าไปแล้วก็หยิบแบงค์นั่นมาบอกว่าเป็นแบงค์จริงสามพันก็เลยเพื่อนก็เลยได้สามพันไปฟรีๆเลยคนที่ชื่ออ้วนอดเลยนะเห็นคนแรกนะแต่ว่าเขาใช้หลักเหตุผลไง เขาใช้เหตุผลนะว่าถ้าเป็นแบงก์จริงต้องมีคนหยิบไปแต่การที่แบงก์ยังอยู่แสดงว่าไม่ใช่ของจริงฟังดูมีเหตุผลไหมมีนะแต่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นแบงก์จริงแต่ที่ไม่มีคนเก็บก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีคนเห็นหรือว่าคนก็คิดแบบอ้วนเหมือนกันว่าเป็นแบง์ปลอมเพราะถ้าเป็นแบง์จริงต้องมีคนเก็บ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 อันนี้ผู้จอเตือนมา 2,600 ปีแล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะคำหนึงคำนวณตามหลักเหตุผลนะอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะเข้าได้กับทฤษฎีหรือทิษฎีความหมายของตัวอะไรที่มันเข้าได้กับทฤษฎีความหมายของตัวนี้ก็อย่าไปเชื่อเช่นเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างคนที่เขาเป็นนักโทษเป็นคนที่เคยติดคุก ม, มานะ แล้วเราก็หลายคนก็เชื่อว่าคนที่เคยติดคุกมาเนี่ยในพวกนี้นี่มันไม่มีทางกลับตัวกลับใจได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาได้ข่าวว่ามีการขโมยนะมีการปล้นมีเงินหายนี่ก็ชี้มือไปที่ชี้นิ้วไปที่คนที่คนคนนั้นทันทีเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเข้าได้กับทฤษฎีเข้าได้กับความคิดความเหงื่อตัว อันนี้เราก็อย่าพึ่งเชื่อนะหรือว่าเวลามีใครบางคนเขาดูซกมกนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดว่าคนเนี้มันไม่ดีคนเนี้มันติดยาเนี่ยเราก็เชื่ออาจจะเป็นอาจจะเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือหรือเราดูลักษณะอาการแล้วมันเข้าได้ออกับความเห็นของเราว่าคนแบบนี้นี่เป็นคนดีไม่ได้หรอกนะ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 สรุปก็คือว่าอย่าไปเชื่อความคิดของตัวอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนี่อาจจะผิดได้น่นนหลักการมาสูรเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญมากที่ส่วนใหญ่ชาบุูดเนี่ยสอบตกนะเพราะว่าเราเชื่อข่าวลือได้ง่ายมากเลยทั้นี้พระเจ้าก็บอกวเวลาชาบุูดเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนีน้คือไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวนะ ไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวนี่แต่ว่าเชื่อกันก็เลยถูกหลอกนะถูกสิบแปดมงกุฎเขาหลอกนะให้เราต้องถามว่าถ้าไม่เชื่อแล้วทำยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัววิจารณญาณส่วนยังเกิดจากการคิดเกิดจากการห า, หาหลักฐานข้อมูลไม่เชื่อง่ายๆนะต้องหาหลักฐานมายืนยันหรือว่าต้องค้นหาแหล่งที่มา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 อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะท่านก็จะอ้างหลักกรารมารสูตรหนังสือของวัสนธรมในนะสมัยที่หลวงพ่อเทียงอยู่ก็จะมีนะกาลมารสูตร10ประการหนังสือคำอรรยายของหลวงพ่อเทียงก็จะมีก็จะมีแทรกนะว่าเรื่องกรารมารสูตรเพื่อเตือนไม่ให้เราเนี่ยไปติดยึดคำภีนะหรือว่าไปติดที่กับความคิดที่เคย ได้เรียนรู้กันมานะต้องปฏิบัติให้เห็นกับตาหรือรับรู้ด้วยใจด้วยทางฝ่ายเซนนี่เขาเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากนะถึงกับมีภาพว่านะท่านไวรหลางฉีคำพีนะฉีคำพีอันนี้ดูเหมือนน่าตกใจนะแต่ว่าท่านพูดให้ ทำเป็นอย่างนี้เพื่อเตือนให้คนเห็นว่าอย่าไปยึดติดกับคำพีอย่าไปเชื่อคำภีร์ต้องอาศัยการปฏิบัติของตัวแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็อาจจะผิดได้เหมือนกันบางคนเห็นแสงเห็นสีนักปฏิบัติหลายคนนี่เห็นแสงเห็นสีเห็นเห็นจิตของคนสว่างสวยัยนะมีบางคนมา มาบอกว่าจิตของอาตมาเป็นยังไงเนี่ยเขาเห็นชัดนะฟังที่เขาเล่าแล้วก็เดาได้ว่าก็รู้ได้ว่าเขาเขาคิดขึ้นมาเองอาจจะเกิดจากนิมิตก็ได้มันผิดได้นะก็ต้องเช็คกับตำราตำราก็มีประโยชน์ตรงนี้นะมันต้องเช็คต้องทานกันพึ่งตำลาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตำราก็อาจจะผิดต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเทียบเคียงเหมือนกับเวลาอ่านปฏิโมกเนี่ย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 ตำรานีคือพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการสอบทานกันมานานโอกาสผิดก็มีอย่างที่ยกตัวอย่างนะแต่ว่ามันน้อยพระไตรปิฎกก็เปนคำพีที่จะมาสอบทานได้แต่จะใช้แต่คำพีอย่างเดียวพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยตัวเองด้วยมันต้องทานกับไปทานกันมาเงี้ยนะจะจะไป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 นะก็ต้องเอาปไปดกเอาคำสอนของพุทธเจ้านี่มาตรวจทานเพราะตรวจทานก็จะรู้วาอออันนี้เป็นวิปลาสนะเป็นวิปัสสนูนะก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อ่แล้วก็พูดกันท่านนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะหลังทำวัดอ่ก็จะมีการคุยประชุมกันหน่อยนะกับแม่ชีแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติจำบรรษาในวัด อาจจะมีเรื่องที่พูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือกันหน่อยอ้าวก็พูดกันเท่า น, นี้แหละ